เอาต่อไปตั้งใจฟังนะที่นี่นะอย่างที่หลวงพ่อเจ้าคณะอาเภออําเภอน้ําสมท่านพระอาจารย์บุญมีที่ท่านประกาศไว้ก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าผู้ที่เข้ามาให้ปิดโทรศัพท์มือถือและอย่าคุยกันให้อยู่ในความสงบถ้าว่าใครมีกิจโทรคุยกันออกไปคุยข้างนอกเป็นการรบ ก, กวนหมู่พวกเพื่อนเพราะพวกเรามาที่นี่มาฟังโอวาทของหลวงพ่อ ไม่ใช่มาฟังพวกเราคุยกันสองคนผู้ที่จะมาฟังโอวาทของหลวงพ่อนะมีมากอย่ามารบกวนคนอื่นเขาปิดโทรศัพท์มือถือพบมือถืออย่างที่หลวงพ่อคุณมีพูดนั่นเสียงแปลกแตกต่างทุกวันนี้มากมายหลายอย่างเป็นการรบกวนคนอื่นเขาที่รุษราหลวงพ่อของอ่านไหมที่หลวงพ่อเขียนว่ายังไงเขียนไว้แล้วขึ้นมาในบริเวณนี้ปิด โทรศัพท์มือถือไว้ก่อนเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่จะได้ฟังโอ ว, วาทของครูบาอาจารย์เพราะเราไปที่อื่นเราก็เปิดไว้อยู่แล้วแต่เข้ามาที่นี่เราปิดไว้ช่วงระยะหนึ่ง อ, อย่างมากก็ไม่น่าจะถึงชั่วโมงเราปิดไว้ก็ไม่เห็นจะเสียหายมากไมยที่ตรงไหนถ้ามันจะรวยมันก็รวยมาพอแรงแล้วละ่ะถึงมันจะจนมันก็คงจะจนไปแล้ว ถึงอะไรจะเกิดขึ้นมันก็คงจะเกิดขึ้นในระยะนี้แต่คงจะไม่มีอะไรในช่วงนี้ทำจิตใจของเราเป็นกุศลซะทำจิตใจของเรานื่งทำจิตใจให้เราเป็นกุศลอย่าให้มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฟังพระธรรมเทศนาฟังแนวความคิดของครูบาอาจารย์หลวงพ่อเองก็ได้เห็นหมู่พวกเพื่อนพระสงฆ์เขามานั่งอยู่ที่นี่ เกือบครึ่งศาลาวันนี่ทราบข่าวว่าอำเภอนายุงที่หลวงพ่ออยู่เนี่ยท่านมาแจ้งข่าวให้หลวงพ่อทราบว่าพระทั้งหมดร้อยสามสิบรูปแล้วก็สามนเณรสามรูปแต่นับวัดของหลวงพ่อด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคงจะนับทั้งหมดนะในวัดของหลวงพ่อเนี่ยทั้งหมดมีพระอยู่สามสิบหกรูปนะเดี๋ยวนี้นะพระสามสิบหก แต่สัมมเนนไม่มเีเมื่อกี้ก็ได้ถามทังท่านเจ้าคณะอําเภอน้ำโสมคือหลวงพ่อบุญมีของเราเนี่ยท่านนั่งอยู่ที่นี่ท่านบอกว่าพระทั้งหมดประมาณพ้นไม่ได้นับนับแล้วละ่ะแต่ว่าเลขขาผู้ที่จดลายชื่อของพระไม่ได้มาวันนี้ก็เลยไม่ชัดเจนแต่ก็ทราบข่าวคร่าวว่า ประมาณร้อยสมิบเจดลูกแต่สำมมเนยนั้นมีอยู่แต่ก็คงจะไม่มากพระน้ำาสมกับนายุงคู่ขี้กันมากเลยว่างั้นอัหนึ่งร้อยสามสิเป็น137ร้อยสมิบเจ็ดห่างกันไม่มากสรุปแล้วก็เกือบสามร้อยองค์เหมือนกันพระอำเภอน้ำาสมนายุงในพรรษานีนะ้และก็วันนี้ก็นณัทายาติโยงก็มามากนะ อตอนนี้ไปหลวงพ่อจะกล่าวสัมโภตานิยกถาให้แก่คณะทธา ญ, ญาทโจมครูคบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนได้เป็นเครื่องรําลึกกันนานๆปีหนึ่งพวกเราจะได้มาพบมาเจอกันอย่างนี้นะทำเป็นพิธีทําเป็นสาธนาพิธีสักหน่อยก็คงจะดีมากวันนี้นะเดี๋ยวหลวงพ่อจะกล่าวเทศเพื่อเป็นตัวอย่างของ พระลูกพระหลานต่อไปภายภาคหน้าถ้าเผื่อว่าจะได้แสดงประธรระเทศนาเนี่ครูบาอาจารย์ท่านทำอย่างไรแต่หลวงพ่อโดยมากก็จะไม่ได้พูดพอขึ้นมาหลวงพ่อก็พูดไปเลยแต่ น, น, นานๆหลวงพ่อจะทาเป็นพิธีกรรมคล้าๆว่าเป็นยึดถือกันมาตั้งแต่โบรานครูบาอาจารย์ก่อนที่ท่านจะแสดงธรรมท่านได้พูดอย่างไรท่านได้ยกภาะิตธอย่างไรนะ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 สมณานันจะทัตชนังเอตามังคารมุตตะมันตีติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งคณะสงฆ์สองอำเภออำเภอน้ำสมอำเภอนายูงได้พร้อมกันคารวะครูบาจาย์ตามวัดต่างๆถือเป็นประเพณีในช่วงเข้าพรรษา อันนี้ถือว่าเป็นประเพณีถือกันมาตั้งแต่โบราณการตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก่อนเข้าพรรษาหรือช่วงระยะเข้าพรรษาพวกเราจะไปกราบครูบาอาจารย์ถ้าเป็นภาษาสั่งเชียงใหม่เขาบอกมุดน้ำํำดำหัวแต่ภาษาทางอีสานหรือบ้านของพวกเราหรือภาษาพระของเราในภาคนี้เขาเรียกว่าไปทําวัดครูบาอาจารย์ แปลว่าไปทำวัดเนี่ยเป็นที่รู้กันแต่เป็นภาษากลางจริงๆออกไปทำวัดก็คือทำวัดเช้เาทำวัดเย็นทางภาคกลางจะคงจะไม่เข้าใจคำว่าทำวัดแต่ตามไม่จริงทางอีสานของเราเนี่ยถ้าเราพูดว่าทำวัดจะเข้าใจกันคือถือดอกไม้ทูบเทียนไปกราบคารวะกูบายจานันเพื่อขอขมาลาโทษถ้าพวกเราทั้งทางหลาย ได้ประมาทพลาดพังครูบาอาจารย์ด้วยคายด้วยวาจาด้วยใจด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเขาขอให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษาอาหวสี่ให้แก่พวกเราด้วยและกับพวกเราก็จะได้สารวมระวังจะไม่ให้มีเรื่องราวเกิดขึ้นอย่างที่ผ่านๆมาอีกต่อไปอันนี้ก็คือถือเป็นปเพนีกันมาตั้งแต่โบ ร, โบราณครูบาอาจารย์ท่านก็ให้ โอวาทหรือว่าให้คําแนะนำํำให้ลูกกระโทษให้แก่พวกเราอันนี้พวกเราถือกันมาสมัยลุงพ่อเป็นพระน้อยพะหนุ่มถึงเดี๋ยวนี้ก็เถอะหลวงพ่อก็ได้เข้าไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษามากกว่าหลุงพ่อก็ได้เข้าไปมุดน้ําตําหัวตามประเพณีอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าพวกเราอยู่ด้วยกันต้องแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน ถ้าอยู่ด้วยกันด้วยความแข็งกระด้างไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำไม่รู้จักผู้น้อยผู้ใหญ่อันนั้นเป็นประเพณีที่ไม่ดีอยู่ที่ไหนเราเค ย, เ, คยเห็นด่า ด, ดื่นต่อไปภายภาคหน้าลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่ทีหลังก็ไม่รู้ว่าจะยึดอะไรยึดความแข็งกระด้างอย่างนั้นขึ้นมามันก็ไม่เป็นิลิศไม่เป็นมงคลแต่ถ้าว่าพวกเรายึดความอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักครูบาอาจารย์ รู้จักวัยยวุฒิคุณวุฒิอย่างนี้ที่พวกเราได้รวมกันแล้วก็ไปกราบคลรวะทำวัดครูบาอาจารย์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาในวันนี้อันนี้ถือว่าเป็นประเพณีดีงามสาหรับพวกเราท่านทั้งหลายและก็ควรจะยึดถือต่อไปภายภาคหน้าเพราะว่าการอยู่ด้วยกันต้องอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะ เราจะเก่งเด่นขนาดไหนดังขนาดไหนปีคนรู้จักมากมายขนาดไหนถ้าเราอยู่คนเดียวไม่มีพักไม่ีพวกไม่มีหมู่มีเพื่อนเอไม่มีเพื่อนฝูงอถึงจะเด่นเด่นดังไปก็เด่นดังไปแบบไม่มีพักมีพวกอันนั้นดูดูแล้วก็เป่าเปียวเดียวดายแต่ถ้าว่ามีพักมีพวกมีหมู่มีเพื่อนมาด้วยกัน จากนั้นก็ได้เห็นกันใครมีุกสุขอย่างไรก็มองเห็นกันโอ้องนั้นขาดเหลืออนนั้นขาดตกอย่างนี้มีความจำเป็นจะต้องได้ใช้อย่างนู้นอย่างนี้เราก็จะได้สงเคราะห์อนุเคราะห์กันหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรพวกเราก็จะได้เห็นกันผู้อยู่ใกล้ถึงอย่างไรก็ตามถึงครูบาอาจารย์อย่างผมที่มองไม่เห็นแต่ถ้ามีความจาเป็นสาหรับพระเนน เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเนี้ยผมก็ไม่ได้นิ่งดูได้นะเ อ, อพอเหตุไรผมเองก็ได้ไปสร้างหรือว่าไปทำที่พักพยาบาลสําหรับพระสงฆ์อยู่แล้วที่จังหวัดขอนแก่น เ, เรียกว่าหออภิบาลสง์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตอย่างพวกเราไปทอดผ้าป่าเมื่อกี้นี่อันนั้นก็สําหรับรองรับหมู่พระสง์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยจากนั้นเท่าอุดรของเราก็เหมือนกัน ถ้าว่าหมูพวกเพื่อนมีความจําเป็นจะต้องเข้าโรงพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยก็พูดตามขั้นตอนถ้าเหลือวิสัยแล้วมีอะไรที่จะให้ครูบาอาจารย์ในท้องถิ่นของเราช่วยอย่างนี้ก็พูดขึ้นมาตามขั้นตอนที่เราจะต้องไร้พิจารณาช่วยกันอันนี้เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยถือว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นสําคัญส่วนหนึ่งของพระสงฆ์แต่ถึงยังไงก็าตาม เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็คือชีวิตร่างกายของมนุษย์ทุกคนต้องเป็นต้องไปต้องมีจุดจบแต่ถึงยังไงก็ส่วนหนึ่งก็อำนวยความสะดวกรักษาบ้างแต่ว่าอีกจุดหนึ่งถึงจะรักษายังไงก็ไม่หายถึงต้องถึงจุดจบแต่นั้นถึงจุดนั้นเราก็ต้องปล่อยวางนี่แหละสิ่งเหล่านี้ที่เราเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ทุกๆท่านที่เข้ามาบวชเนี่ยผมว่าผมอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนทุกองอมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความเข้มแข็งในการประพฤติปฏิบัติตนอย่าทําให้เสียหายสิ่งไหนที่มันจะเสียหายต่อ ว, วงการพระพุทธศาสนาอย่างที่หลวงผมได้กล่าวเมื่อกี้เนี่ยน่ยถึงจะผมจะเป็นผู้ใหญ่ตามขั้นตอนลงไปท่านพระอาจารย์พระครูท่านพระอาจารย์จดพระอาจารย์ชาลีหรือพระผู้ใหญ่เทระผู้ใหญ่ ถึงยังไงยังไงก็พวกมองพวกท่านอยู่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายอยู่วัดไหนก็ตามถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรพวกเราก็จะไม่นิ่งดูได้จะต้องช่วยกันพิจารณาหาเหตุหาผลหาทางออกหาทางปรับปรุงแก้ไขในคณะสงฆ์ที่อยู่อําเภอสองอำเภอของพวกเราถึงผมจะไม่ใช่เป็นฝ่ายปกครองแต่ว่าผมก็เป็นพระ ที่มีอายุพันษาถ้าจะว่ามากกวามากองค์หนึ่งอย่างที่อาจารย์พ่อครูปูน่าเหลาพูดมีหลวงปู่แผงที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่องค์ที่สองลงมาก็คือผมหลวงพ่ออินนี่ยองค์ที่สามก็หลวงพ่อชาลีองค์ที่สี่ก็คือหลวงพ่อสดองค์งที่หก็หลวงพ่อปูน่าเหลานี่แหละคือพระที่อยู่ในถิ่นนี้ถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นถ้ามันหนักหนาก็จะต้องหันหน้าเขาหาการปรึกษาปรารถกัน เพราะนั้นพวกพระลูกหลานน้องนุ่งทั้งหลายจะทําอะไรเอจะแสดงอะไรออกไปที่มันออกที่มันไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวิ น, นัยก็ให้คิดให้ดีอย่าให้มีอย่าสร้างปัญหาอย่าทําปัญหาให้เกิดขึ้นอย่าสร้างปัญหาให้เกิดขึ้ น, ห ใ, หนให้สร้างแต่คุณงามความดีให้มีกิตติสัพท์โด่งดังไปในทางที่ถูกต้องอำเภอนามโสมอำเภอนายุง เ, เป็นพระ ป่าที่อยู่ในป่าดวงพงไพล้วนแล้วแต่เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่เคารพศักดาระเป็นที่นับถือไปเห็นแล้วจเจริญตาจเจริญใจผู้ที่เข้ามาพบเห็นอยากจะให้เป็นอย่างนั้นในฐานะที่ผมเป็นพระที่มีอายุพรรษามากกว่าพวกท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นขอให้พวกพระน้องนุ่งทั้งหลายลูกหลานทั้งหลาย ให้ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินยัยแต่ถึงยังไงสถานีวิทยุของผมที่ผมตั้งขึ้นมาในวัดผมก็มุ่งหวังอยากจะให้พระพวกเราอยู่ในป่ารงพงไพยอยู่ในสถานที่ไหนที่เปิดฟังวิทยุได้ผมไม่อยากจะให้พวกเราฟังวิทยุเรื่องร้องรทำทําเพลงออกนอกลู่นอกทางผมไม่อยากจะให้ฟังอย่างนั้นแต่ผมอยากจะให้ฟัง เสียงอัดเสียงทำจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ตอนกลางวันนี่เออก็ไม่ว่ากันละเพราะว่ามีหลากหลายครูบาอาจารย์แต่ถึงยังไงเสียงร้องรำทำเพลงก็จะไม่มีมีน้อยมากบางครั้งก็มีการแทรกอะไรเข้ามานิดหน่อยแต่กลางคืนตั้งแต่สองทุ่มถึงตีหเป็นธรรมเทศนาขององค์หลวงตาล้ว น, นที่เอาเข้าสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ขอให้พระเนนทุกองค์น้องนุ่งทั้งหลายทุกองค์ให้ฟังให้ฟังธรรมเทศนากลางคืนอย่าไปถือว่าเราห่างไกลจากครูบาอาจารย์ไม่ได้รับการอบรมเพียงแต่ว่าพวกเราจะหันหลังหรือหันหน้าฟังหรือตั้งใจฟังถ้าพวกเราปิดหูปิดตาไม่ฟังอันนั้นก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าพวกเราต้องการใ่ในการศึกษาแล้วพวกเราจะต้องฟังวิทยุเสียงธรรม 1 0 7 2เเมกะเฮิรตของวัดป่านาคำน้อยผมว่าได้ยินทั้งอำเภอนายูอำเภอน้าโสมสุ ว, สวนนรรณนรกูหาบ้านผือบางส่วนและก็สีเชียงใหม่สังคมปากชมในละแวกนี้ได้ยินเกือบทุกวัดผมโูดอย่างกันดะเพราะฉะนั้นเวลากลางคืนเวลาเรานั่งภาวนาไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยากจะให้หมูเพื่อนฟังเป็นจิตจะลักษณะให้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์แสดงธรรมเทศนาเอาวิทยุขึ้นมาเปิดแต่ย่าไปเปิดเสียงดังเปิดเฉพาะได้ยินแต่เฉพาะตัวเองเพราะเปิดเพื่อการศึกษาเมื่อเราไหว้พระสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดนั่งขัดสมาธิแล้วก็เปิดฟังเปิดฟังสักกันหนึ่งขอให้ฟังแต่ละคืนให้ฟังสักกันหนึ่ง พอฟังจบกันแล้วเราก็ค่อยดับพอดับแล้วเราก็นั่งภาวนาต่อถ้าว่าตอนตื่นมาอีกถ้าเรายังไม่งกไม่ง่วงเราก็เปิดฟังอีกสักกันหนึ่งั่างก็นั่งภาวนาต่อแต่ผมเนี่ยอยากจะให้ฟังแต่ตอนหัวค่ำสักกันหนึ่งก็น่าจะเพียงพอแต่ละวันอันนี้เพื่อการศึกษาถ้าว่าพวกเราเป็นพระเข้ามาแล้วอยู่ขึ้นมาอ่านหนังสือก็ไม่ออก ฟังธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์ก็ขี้เกียจฟังพวกเราจะเกิดสติปัญญาความรอบคอบได้อย่างไรแต่ว่าพวกเราได้ฟังธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์แต่ละครั้งแต่ละวันพวกเราจะมีสติมีปัญญาแนวความคิดหรือนะในภาคปฏิบัติอยู่ในนั้นเสร็จผมมั่นใจเหลือเกินว่าธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงตามหาบุญที่ตั้งแต่สองทุ่มถึงตีห้านี่ เป็นธรรมเทศนาอบรมพระเท่านั้นที่เอาออกกลางคืนเพราะเหตุใดผมฟังอยู่แล้วแล้วก็ธรรมเทศนาชุดนี้ที่ผมเข้าไปอบรมอยู่ที่วัดป่าบัานตะเป็นเวลาตั้งแต่ปี2 5 1 2ันยถึง2525 25เป็นเวลาส3าปีที่ผมจึงได้ออกมาอยู่ที่นี่แล้ว ก, ก็การเทศนาของหลวงตานี่แหละที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังนี่แหละ ที่อบรมพระอาจจะคราวนั้นละ่ะอาจจะผมได้ฟังแต่ชุดนั้นละ่ะบางการผมก็ไม่ได้ฟังเพราะผมไปเที่ยวออกพุรงกรรมฐานหน้าแรงแต่มีน้อยมากที่ผมไม่ได้ฟังตั้งแต่2องพอยี่้านีเกือบทุกกันที่ได้ฟังการล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะที่ลึกซึง้งสำหรับพระปฏิบัติสำหรับหมู่พวกเพื่อนเป็นแนวทางหรือเป็นแนวความคิดหรือเรื่องสมาธิ เรื่องปัญญาศินอย่างไรสมาธิอย่างไ ร, งไรปัญญาอย่างไรเนี่ยธรรมเทศนาของหลวงตานี่ท่านจะเทศให้ฟังให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายฟังในธรรมเทศนาของหลวงตาดังนั้นขอให้พระน้องหนุ่งทั้งหลายให้ตั้งอดตั้งใจฟังผมว่าจะเป็นแนวความคิดเป็นหนทางที่จะเดิน สมาธิเดินอย่างไรปัญญาเดินอย่างไรสมาธิทำจิตให้สงบอย่างไรมีคุณค่าอย่างไรปัญญาที่จะเดินวิปัชนานั้น<ม>เดินอย่างไรพวกเราจะรู้แนวทางรู้แนวทางในการประพุทธปฏิบัติแต่ถึงยังไงก็เถอะนะถ้าหากว่าพวกเราท่านทั้งหลายฟังใหม่ๆพวกท่านทั้งหลายจะฟังไม่เข้าใจ ผมก็เหมือนกับพวกท่านทั้งหลายในเมื่อผมเข้ามาศึกษาที่วัดป่าบ้านตาผมเข้ามาศึกษาใหม่ๆผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหลวงตาธรรมเทศนาหลวงตาฟังไปแล้วตกๆหล่นๆฟังไปแล้วก็ไม่เข้าใจโดยตลอดจากนั้นผมก็ได้อ่านกลับมาอ่านศึกษาธรรมวิาพากษ์ในนวกโกวาทเพราะอ่านจบแล้วพบท่องเออพว ก่อนหน้านั้นผมท่องจบมาแล้วแต่ผมมาทบทวนใหม่อีกในข้ออัดข้อทำจากนั้นฟังท่านใ้เข้าใจเข้าใจธรรมเทศนาขององค์หลวงตาเพราะว่าการเทศของหลวงตานั้นพอท่านยกเป็นบาลีขึ้นมายกศัพท์ขึ้นมาบางทีบางศัพท์นั้นพวกเราไม่ไม่คุ้นหูเพราะพวกเราไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาพวกเราก็ไม่เข้าใจจากนั้นท่านก็พูดต่อไปเลยนะ วันนั้นธรรมเทศนาของผมเ น, นี่เรอเทศนาของหลวงพ่ออินนี่หลวงพ่อองนเห็นว่ า, าการพูดอย่างที่องค์หลวงตาท่านแสดงนั้นพวกเราไม่เข้าใจเพราะผมเองไม่เข้าใจทีนี้พอผมพูดขึ้นมาผมก็อยากจะให้พวกคณะจัดพายญาติโยมพระใหม่อย่างผมในในอดีตเข้าใจผมก็มาย้ามาย้ำมาพูดให้พระให้เข้าใจ ในการประกอบปฏิบัติหรือข้ออัดข้อธรรมนั้นๆอย่างที่ว่ากรรมฐานห้าหวงตาที่บกกรรมฐาน5เกสาโลมานะขาทันตาตาโจให้พิจารณาเป็นอสุภะนะ อ, อย่าไปถือว่าเป็นตัวตนของเราอย่างนี้ถ้าว่าพวกเราที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้ามาบวชหรือไม่ได้เรียนมาก่อนพวกเราคงจะไม่รู้ว่ากรรมฐานห้าตนนัวนี้เกสาโลมานะขาทันต า, ตาตาโจนั้นคืออะไร ในหลวงข้อเองก็ได้มาย้ำ้ำดีกว่าเกสาคือผมนะโลมาคือขนนักขาคือเล็บอันตาคือฝันตะโจคือหนังอันนี้คือกรรมฐานหพิจารณาอย่างไรจึงจะว่าเป็นพระกรรมฐานพิจารณาอย่างไรจึงไม่ใช่กรรมฐานการพิจารณาว่าร่างกายผมสวยอย่างนั้นเอะปอ ก, กระบูแล้วคิ้วอย่างนั้นงามอย่างนี้สีดำอย่างนั้นเ อ, อ ผลในร่างกายของเราเออเกิดขึ้นมาเลยตกแต่งสวยงามอย่างนี้อย่างนั้นเล็บของเราเออตกแต่งแล้วเอาสีมาทาแล้วสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้เอ๋ฟันของเราขัดแล้วแต่งตกแต่งแล้วสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้เอผิวหนังของเราอาบน้ํำด้วยเครื่องปันเทียนกายแล้วก็สวยงามอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือพิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่พระกรรมฐาน แต่เมื่อพิจารณาอะผม เ, เมื่ออยู่ในผลศีรษะของเราถ้าเราลักัดเราฟอกเราล้างก็สวยงามแต่ถ้าหากว่าเราไม่ฟอกฟอกไม่ซัดลักไม่ล้างไม่ทําความสะอาดซักสองสามอาทิตย์เนือออกมามันติดติดกลงไปหมดดูแล้วก็เหม็นสาบเหม็นสารมันไม่สวยงามอันนี้เรียกว่าให้พิจารณาอย่างนั้น จึงเรียกว่าภาคมรรมอันนี้คือเป็นธรรมชาติของมันถ้าเราไม่สําระสกสารไม่ทําความสะอาดมันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมในเมื่อมันหลุดลนลงมาสู่สําหรับกับข้าวของเราเมาสู่จานข้าวของเรามาสู่ถ้วยแกงของเราถ้าผมหล่นลงไปอย่างนั้นเรามีความรู้สึกอย่างไรเราขยะกขยแยงใช่ไหมถ้ามันเป็นของเจ็บสวยงดงามจริงเราจะขยะกขยแยงไปทําไม พองอบผมเป็นของสวยของงามของนารักใครอบใจแต่ไดยเมื่อตกใจอาหารลงไปแล้วเราขยะขแขยงผลก็เช่นเดียวกันเพราะว่าเล็บของเราก็เหมือนกันทานดูแล้วเล็บไม่สระไม่ล้างไม่ทำความสะอาดเล็บของเราดําเห็นคนใส่เล็บดำเข้าไปเราไปทานอาหารด้วยเราก็ขยะขะแขยงเขาเหมือนกันแล้วก็ฟันก็เหมือนกันถ้าเขาไม่ไม่แปลงฟัน เราเห็นฟันของเขาเกลิ่อไปหมดอย่างนี้เราก็ขยักขยแยงฟันเขาเหมือนกั น, นกเหนังเสมือนกันถ้าเขาไม่อาบสบู่ไม่ฟอกไม่ล้างไม่ทำความสะอาดแล้วผิวหนงังเขาเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นของสกกระปบเหมือนกันอันนี้เราปพิจารณาให้เป็นธรรมชาติถ้าว่าเราไม่ทำความสะอาดไม่ชะไม่ล้างมันจะตกกระปกอย่างนี้ร่างกายของคนเรา นี่แหละเหมือนกระสับกราชานกระสับกราชานเป็นหมูหมากาไก่มันไม่ได้อาบน้ำแต่มันไม่ได้สะระบางตัวนะแต่มันก็เห็นเห็นเหมือนหมาของเราเนี่ยมันก็มีกลิ่นเหมือนกันถ้าเจ้าของใส่ใจหน่อยทำความสะอาดให้มันมันก็น่าดูมันก็สะอาดแต่สมาตัวไหนที่เราไม่ได้ทําความสะอาดมันก็มีกลิ่ น, น ก, กลิ่นหมาไงเราก็เช่นเดียวกันมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเพราะฉนั้นใน ห, หลักของพระพุทธศาสนาท่านก็นสอนว่า เจสาผมโลงมาขวันั า, าเลพันตาฟันตัดโจหนังพิจร า, า, ร, จ ร, าจรณาอย่างไรเป็นจึงเป็นอาสุภาษพิจารณาอย่างไงเป็นถูกพะคือความสวยงามถ้าพวกเราทําให้สวยงามก็สวยงามถ้าเราเป็นให้เป็นอาสุภาษจะเป็นอาสุภาษเพราะนั้นในธรรมเทศนาขององค์หลวงตาที่ผมพ่อได้กล่าวท่านจะพูดแบบโพูดไปเลยเลยไปเลยเจสาผมโลงมาขวันั า, าเลพันตาฟันตัดโจหนังน้อยมากที่ท่านจะย้อนกลับมาพูดเคาะ เหตุไร e เพราะว่าท่านคิดว่าพวกเราเข้าใจอยู่แล้วแต่พวกเราบางคนไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาในจุดนี้พวกเราก็ไม่เข้าใจอย่างอริยสัจสี่นี่มรรคแปดอย่างนี้พูดให้เราฟังพวกเราก็ไม่เข้าใจไตรลักอย่างนี้พวกเราก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าว่าพวกเราได้ศึกษาได้ศึกษาได้ ฟังหลายครั้งต่อหลายหนก็จะเข้าใจเพราะฉนั้นขอให้พระน้องพระนุ่มทางหลาย เ, เมื่อฟังธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์ใส่ใจสักหน่อยจากนั้นขอฟังไปเรื่อยเรื่อยเรื่อในเมื่อเราฟังเข้าใจแล้วถึงโอ้ธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์เป็นเครื่องขัดเราทางด้านจิตใจจริงๆเป็นเครื่องเป็นหนทางที่จะทําให้จิตใจหลุดพ้นจากอาชวะกิเลสจริงๆนะถ้าเราฟังแล้วนะ เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะอันนี้ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อตั้งวิทยุสถานีขึ้นมาแล้วให้ฟังนี่เสียงนี่ร้องรำทําเพลงอย่างอื่นไม่ใช่นะติดวิทยุให้แล้วเหมือนกับติดเปีกให้บางองค์ก็นมุ่นไปฟังเสียงร้องรำทําเพลงอย่างอื่นอันนั้นไม่ถูกต้องแต่ถ้าว่าพวกเราฟังธรรมเทศนาอย่างที่หลวงพ่อพูดจะเกิดประโยชน์ต่อผูกได้ยินได้ฟัง พอได้ฟังธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์เราฟังวันละหนึ่งกันเท่านั้นแหะไม่ต้องฟังมากแต่ดึกสังกัดขึ้นมา3ามสี่ทุ่มแล้วนั่งสมาธิดีๆแล้วก็เปิดฟังสักกันนึงพอฟังจบแล้วก็นั่งสมาธิต่อปิดไว้ก่อนอ่าพอสําคัญอย่าไปนอนฟังถ้านอนฟังหลวงพ่อว่าไม่ดีถ้าวันนั้นก็นอนฟังวันนี้ก็นอนฟังนอนฟังไปฟังมาก็เลยเหมือนใจของเรามันจะด้านทีนเหมือนกับดินด้านอย่างนั้นอ่ะ ดินด้านหินด้านดินด้านไงเวลาเราลดน้ําลงไปมันก็ไม่ซึมซับลงไปสู่ข้างในใต้ดินเพราะอะไรเพราะดินมันด้านถ้าว่าใจของเราด้านกับลักษณะอย่างนั้นอ่ะมันฟังไปฟังมาจนดื้อด้านธรรมเทศนาฟังกันไหนก็การเก่ากันเก่ากันไหนๆเกิดเหมือนเก่าทั้งหมดเพราะนั้นเมื่อเมื่อฟังอย่างนั้นเดียว่าฟังแล้ ว, ลวไม่เกิดประโยชน์อันนี้ก็ขอแนะนําพระลูกพระหลานพาน้องพานุ่งนะ อันนี้คือการฟังธรรมเทศนาพวกเราจะมีความรู้ความฉลาดความสามารถขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังถ้าพวกเราเข้ามาบวชเข้ามาแล้วหนังสือก็ไม่ค่อยได้อ่านธรรมเทศนาครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ฟังพวกเราจะมีสติปัญญาได้อย่างไรสุดตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังอินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการอินตนาไข้ควรพกควนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้น การกรองไต่ตรองด้วยเหตุและผลท่านเทศอย่างไงท่านแสดงอย่างไงมีหลักเหตุผลอย่างไรเนี่ยอันนี้เรีว่าจินตามายะปัญญาภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งเมือ่อจิตใจเป็นหนึ่งแล้วจิตใจรวมสงบเป็นหนึ่งแล้วนํามาพิจารณาเดินวิปษษัสสนาคือเดินปัญญาในเมื่อเดินปัญญาพวกเราจะเกิดปัญญาที่แท้จริง เพราะเหตุใดพาจิตผ่านความสงบแล้วจิตไม่หิวไม่โหยจิตไม่หวัดกวัดแหว่งจิตไม่ไปทางอื่นเนี่ยอันนี้ข อ, ขอใหออ้พวกเราทุกท่านลูกหลานพักลูกหลานทุกองค์หน้าการฟังเสร็จแล้วไปนั่งสมาธิให้จิตใจให้นิ่งเมื่อนิ่งแล้วก็นำมาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอะไรอย่างที่หลวงพ่อได้พูดพิจารณากรรมฐานหนี่แหละ แยกแยกระดูร่างกายสังขารร่างกายเทสาผมโลมาขนณนะักขาเล็บทันตาควันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่นในกระดูก ม, ม้าหัวใจตับขั้วไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าอยู่ในร่างกายของเรานี่เป็นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถามให้ถามใจของเราให้ตามตัวผู้รู้ของเราคืรู้รู้อยู่เนี่ยแต่ร่างกายของเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหม ถ้าเราก็รู้ใช่ใร่างกายขเราเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ร่างกายนี้จะอยู่ดานสักเท่าไหร่จะอยู่ได้กี่ปีเดี๋ยวนี้อายุของเราเท่าไหร่เราจะอยู่ไปอีกเท่านานไปเท่าไหร่ไม่มีใครรับประกันได้ว่าชีวิตของเรานี้จะหมดลมเมื่อไหร่ไม่มีใครรับประกันได้ไม่ว่าน้อยว่านุ่มไม่ว่าเท่าว่าแกแต่หัวใจวายไหลาตายแต่ตกรถตายมีต่างมากมาย อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้เห็นไปจำแต่ละวีแต่ละวันการบ้บการตายไม่ได้เลือกการสถานที่ถ้าหมดลมเมื่อไหร่ก็ใช่เมื่อนั้นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอันนี้คือชีวิตของพวกเราคือร่างกายร่างกายตายแน่ไม่เป็นอย่างอื่นในเมื่อพิจารณาถึงร่างกายใจมาพิจารณาถึงร่างกายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนของเรานะ อีกสักวันหนึ่งเราไม่อยากจะให้มันแก่มันก็แก่ไม่ใหม้มันเจ็บมันก็เจ็บไม่ให้มันตายมันก็าตายในเมื่อเป็นอย่างนี้ร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรานะอในเมื่อตัวไม่ร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรายศถาบรรดาศักดิ์ญ า, akt, าติพี่น้องเพื่อนปูงวัดวาศาสนาอย่างหลวงพ่อเนี่ยใช่สาลาหลังนี้วัดของหลวงพ่อที่พวกเราท่นานทั้งหลาไมาเห็นวัดหล ว, วงพ Step ่ออินใช่เราพูดอย่างนั้นแหละวัดหลวงพ Step ่ออินแต่หลวงพ่ออินมา กำหนดดูตัวเองสิกำหนดดูตัวเองหลวงพ่ออินเลยขนาดร่างกายของตัวเองยังไม่ใช่ตัวของท่านนะท่านหลวงพ่ออินนะและศ า, าลาล่ะวัดวาศาสนาตถายญาณโจมละ่ะจะเป็นของหลวงพ่ออินได้อย่างไรขนาดร่างกายหลงพ่ออินเขาอีกสักวันหนึ่งนะเขาจะต้องเอาไปเผาไฟทิ้งนะหลวงพ่ออินได้คิดอย่างนั้นไว้ไหมนี่แหละถ้าหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินได้คิดไว้ว่าอีกสักวันหนึ่ง เขาจะต้องเอาลูกหลานทั้งหลายศรัทธา ญ, ญาติโยมทั้งหลายต้องเอาร่างกายของหลวงพ่ออินเขาไฟทิ้งแล้วกระดูกหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินก็ยังเอาไฟด้วยไม่ได้ทิ้งกองไปอย่างนั้นน่ะก็เป็นหน้าที่ของผู้อยู่เบื้องหลังเขาจะจัดการยังไงเขาจะทํำยังไงแต่ว่าจิตใจคือนามธรรมาของหลวงพ่ออินนั่นน่ะจุดนั้นแหละสําคัญอย่างยิ่งทีนี้พระพุทธเจ้าให้ความสําคัญจุดนั้นแหละจุดคือ ตัวนามธรรมจุดนั่นแหละพราพูดให้เจ้าที่ท่านไปศึกษาไปค้นคว้าจากนั้นท่านได้นำธรรมคําคสอนมาประกาศมาเผยแผ่ให้แก่คณะสงฆ์คณะศิษย์ฟังท่านก็นแน่นอนเอามาสอนเครื่องนามธรรมคือนามธรรมจุดั่าะสําคัญมากจริงจะทําใจยังไงจะพิจารณาอะไรจะทําอย่างใจถูกใจจึงจะหลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการคือกิเลสราชาโกษาออกไปได้ นี่แหจุดนี้จุดที่พระพุทธเจ้าให้ความสําคัญมากแต่ส่วนร่างกายสังขารก็อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวร่างกายมันจะต้องทิ้งสู่แผ่นดินดินน้ําลมไหวย้องเขาไปทิ้งแต่ส่วนจิตใจคือนมามธรรมจุดนั้นจะออกจากร่างกายแต่เมื่อออกจากร่างกายแล้วใจดวงนั้นเป็นที่พอบําเพ็ญพอได้อย่างถ้าหาว่าจิตใจของเรายังไม่ได้ชําระ ไม่ได้ชักฟอกไม่ได้บำเพ็ญเรื่องสิ่สมาธิปัญญาชักฟอกจิตใจดวงนั้นใจดวงนั้นออกจากร่างแล้วก็เปิดเพื่อนเปิดเลือดเทอะไปด้วยกิเลสราคะโสดโมหะจากนั้นก็ไปเกิดไปปฏิสนธิเกิดในภพภูมิต่างๆอีกต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดสรุปแล้วคือใจดวงนีน้ออกจากร่างนี้แล้วจะต้องไปปฏิสนธิไปหาเกิดในภพภูมิต่าง ๆ, างๆถ้าหาว่าเรามีบุญ บุญกุศลก็จะเข้าไปเกื้อกูลบุญหลนหรือพยุงไปเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีความพร้อมสติปัญญาเกิดในศะกย์ุ๋งสูงครับสมบัติพร้อมเพราะอานิสงส์ในการทําบุญของเราถ้าเราทําบาปเราไม่ได้สนใจรเรื่องบุญเรื่องกุศลพอตายจากชาตินี้ไปพวกเราก็ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไร้ฉานไปตกนรกไปเป็นเปรต หรือเป็นมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่เอ่ที่โกงที่การบ้าใบาเสียจิตเอ่ปั่ม ป, ปเป๋อเ ป, อ, เป อ, อันนี้คือบาปพามาเกิดแต่ถ้าบุญพามาเกิดพวกเราอย่างน้อยก็มาเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบอวิวัฒนะทุกส่วนบวริบูรณ์ถึงจะเกิดเป็นคนจนพร้อมที่จะสั่งสมคุณงามความดีได้ถ้าเรามีบุญมากกว่านั้นเราไปเกิดในตระกูลสูงตระกูลที่เขามีเงินมีคำทรัพย์สมบัติอ่าแล้วเราก็สะดวกสบาย ก็เกิดมาในกองเงินกองทองในชาตินั้นแต่ถ้าว่าเราบำเพ็ญต่ออีกเราสั่งสมจุดงามความดีต่ออีกเราก็จะสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกถ้าเราเกิดมาในกองเงินกองทองก็จริงแต่เราลุ่มหลงมัวเมาในทรัพย์สมบัติใช้เงินไม่ถูกต้องรุ่ยฉุยแจกใช้เงินไปในทางที่ไม่ถูกในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เรากลับไม่ทำเอาไปทำในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ทาให เงินคําทรัพย์สมบัติเหล่านั้นสังหารตัวเองอีกไปซื้อยาบ่งยาบ้าคัญชายยาฝิ่นเฮโงอินเชื้อเล่าคืออะไรต่อมิอะไรค่าสัตว์ตัดชีวิตมาเลี้ยงกันทั้งที่เงินเหล่านั้นพอมาเกิดจะกูลสูงทั้งที่จะเกิดประโยชน์กับเอาความน่ํารวยของตัวเองมาใช้ในทางที่ไม่ถูกตกนรกบอกไม่ลงไปอีกนี่อันนี้แหละอันนี้ก็คือถึงเราจะสูงแล้วก็เถอะแต่เราลืมตัวอันนี้ เพราะฉะนั้นพวกเราให้คิดไปอยู่เสมอว่าเราเกิดมาพบนี้ชาตินี้บุญพามาเกิดบาปพามาเกิดเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเรามาได้พบพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรม ค, คาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยไม่ใช่ธรรมคำสัำ่งสอนของหลวงพ่อนะเป็นพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่าน ได้พูดได้แสดงไว้ในพระไตรปิฎกมาแล้วหลวงพ่อก็ได้ น, นำคำคำสอนนั้นมาประกาศมาเผยแผ่มาบอกกล่าวให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นแนวทางในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธองค์บอกว่าตรัสว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแบาบปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริ ง, นะจรงใจดวงเน่จะพาไปเกิดในภพภูมิต่างต่างตั้งว่าพวกเราทากรรมดี กรรมดีก็จะพาเกื้อกูลหนุนอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวถ้าทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะพาเกื้อกูลหนุนไปตกกรําเพราะฉะนั้นพวกเราเกิดมาได้พบครูบาอาจารย์ได้พ บ, บาารพบระธรรมคำสอนแล้วก็ให้พวกเราประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีให้ทําแต่สิ่งที่ดีเราอยู่ในสถานะไหนให้รู้จักวิญวุฒิคุณวุฒิพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้รู้จัก ค, คุณพ่อคุณแม่ให้รู้จักคุณ ก็พุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้รู้จักวัยวุฒิคุณวุฒิสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรขอให้พวกคณะัสภาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะให้พิจรารณาไใตรองด้วยเหตุและผลอย่าไปทําอะไรตามอาเภอใจอย่าไปทําอะไรตามอัตถาใจเพราะพวกเราถ้าเมื่อทําไปแล้วกรรมบาปอกุศลบาปกรรมตัวนั้นจะาตามสนองจะตามสนองพวกเรา ถ้าพวกเราทำกรรมดีกรรมดีก็จะตามสนองถ้าพวกเราพวกเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะตามสนองเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเป็นพระบาลีว่าอากตังลุกตังเส้ยโยปัชชาตะปฏิกลุกตังกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเขาผานให้ผลเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นท่านว่ากรรมชั่วทาไปแล้ว มันจะให้ผลทำให้พวกเราเดือดร้อนเมื่อภายหลังอย่าทําทาแต่กรรมดีทาแต่เป็นสิ่งที่เป็นกุศลเมื่อาวเมื่อเราทำสิ่งที่เป็นกุศลแล้วกุศลนั่นแหละจะเกื้อกูลหนุนพวกเราจะไปเกิดในครอบครมใดพวกเราก็จะได้ไปเกิดในพัติที่ดีจเจริญรุ่งเรืองเย่งในการเป็นอยู่ของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัทาญาจโจิโยม ปีหนึ่งพวกเราก็ได้ไปกราบคารวะรูบาอาจารย์นานทีปีหน่เมื่อไปแล้วก็ให้ท่างออทั้งใจศึกษาให้ทั้ ง, งอ่โอทั้งใจฟังเมื่อฟังแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติแต่หลวงพ่อเองอยากจะเน้นหนักสำหรับคณ ะ, ะทายาทโจมบางคนก็เกิดขึ้นมาอายุถึงขนาดนี้หละพวกเราก็ไม่ได้คิดใปอ่านอะไรใหญ่มาเป็นวันๆปีๆเดือนๆจากนั้นก็ไม่ ไม่ได้คิดอะไรก็ถึงจุดจบเพราะมีแต่ใหญ่เกิดขึ้นมาแล้วก็มีแต่ทํามาหาเลี้ยงชีพเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงชีวิตของตนเองพลที่สุดก็ถึงข่าวตายและก็จบไปโดยที่ไม่ได้คิดโดยไม่ได้ศึกษาอะไรอันนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาท่านว่าเกิดขึ้นมาเปล่าประโยชน์เกิดขึ้นมาแล้วไม่ได้ทําประโยชน์ให้แก่ตนเองเกิดขึ้นมาแล้วไม่ได้สั่งสมบรารมีทางด้านจิตใจเข้าสู่ตนเองอันนั้นเกิดขึ้นมา เกิดขึ้นมาคนนั้นเกิดมาแล้วเปล่าประโยชน์เพราะนั้นพวกเราเกิดขึ้นมาในภพนี้ชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่าให้เปล่าประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ เ, เกิดประโยชน์นั่นคืออะไรอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่มาฟังในวันนี้ละ่ะหลวงพ่อก็นแนะนําอันไหนคือคุณงามความดีหลวงพ่อจะเรียงลําดับให้ฟังเลยเอาชีวิตประจําวันถ้าหลวงพ่อเป็นค า, ารวะอย่างพวกโยมนี่ละ่ะ หลวงพ่อจะทําอย่างไรแต่หลวงพ่อไม่ได้พูดการทํามาค้าขายนะการทํามาค้าขายการทํามาหาเลี้ยงชีพนั้นต่างคนก็ต่างทำอันนั้นไม่ไม่ต้องแนะนํากันแต่เมื่อเราแนะนําการกระยู่ท่องทำการเป็นอยู่ข่องเราทางการทํามาหาเลี้ยงชีพแล้วแต่ส่วนทางด้านจิตใจอาหารเข้าสู่จิตใจเนี่ยเราจะทำอย่างไร ส่วนอาหารทางร่างกายนั้นพวกเราสอบสแสวงหาทรัพย์ความเฉลียวฉลาดความมันขยนันอดทนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นบางคนก็ทำไร่ทำนาบางคนก็กรีดยางบางคนก็มีรานมันบางคนก็ขายข้าวบางคนก็ทำนาบางคนเป็นขุนรัชการทุกหมู่ทุกเหล่ามีมากอันนี้คือวิชาอาชีพเพื่อสอสแสวงหามาเลี้ยงร่างกายถึงจะมีเงินคำทรัพสมบัติไม่มีมากก็มาเพื่อเลี้ยงร่างกาย เลี้ยงร่างกายถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็จะร่างกายนี้มันจะไม่หนุ่มไปข้างหน้าเลีเ้ยงเท่าไหร่ก็จริงแก่อพออายุมากเท่าไหร่กับผมงอกฟันหลุดตาฝ้าฟางหูหนวกหนังเหี่ยวหลังค่อมอันนี้คือคนแก่ถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนร่างกายนี้ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอไม่คุ้นไม่เชื่องกับใจที่อยากจะให้มันเป็นนี่แหละอันนี้คือปัจจัยสี่คือเลี้ยงร่างกาย ส่วนธรรมะที่พวกเราจะปฏิบัติเนี่ยคืออาหารของใจใจของเราจะทำยังไงจึงจะเอิบอิ่มใจของเราจะไม่หิวหหยใจของเราจึงเป็นสมาธิจิตใจของเราจรงรู้แจ้งเห็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนเป็นพระอริยะบุคคลพระโสดาักทาคาอาหารหันไปได้จะทำยังไงเนี่ยอันนี้ก็คืออาหารเข้าสู่จิตใจถึงวิธีการทา อาหารเข้าสู่จิตใจนั้นหลวงพ่อว่าอย่างเป็นพระวาทีญาติโยมเราเป็นชาวพทุทธถึง น, นับถือพระพุทธศาสนาพวกเราได้เป็นพุทธมาม ก, กะเป็นเป็นอุบาสกอุบาสิกาของพระพุทธเจา้าพวกเรายึดพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรรณะเป็นที่พึ่งของเราแล้วเรายึดคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจของเราอันนั้น คือเอาหารเข้าหาอาหารเข้าสู่จิตใจแต่ส่วนร่างกายนั้นก็คืออย่างที่หลวงพ่อพูดการโสเสแวงหาทรัพย์หาเงินคำทรัพย์สมบัติเพื่อเลี้ยงร่างกายให้อยู่ดีกินดีมีสุขให้มีเงินคำทรัพย์สมบัติที่บ้านพักพาอาศัยยาแก้โรคไอไข้เจ็บผ้านุ่งผมจากทั้งสอองเรื่องอาหารการบริโภคอันนี้คือเราโสเสวงหาเงินเพื่อเลี้ยงร่างกาย แต่เงินนั้นไม่สามารถที่จะเลี้ยงใจได้นะเป็นแค่เพียงอาศัยตนเองเอปัจจัยเนี่ยคือเป็นเครื่องอาศัยของร่างกายแต่ธรรมะ เ, เราควรจะทํำข้อสูตจิตใจนั้นคืออย่างไรแต่ พ, พระพุทธเจ้าที่ท่านไปค้นคว้าศึกษาท่านบอกว่าอาหารใจด้วอย่างหนึ่งนะอาหารกายอย่างหนึ่งนะอาหารกายกับอย่างเนี้ยขอน้ำโภชนาะอาหารเงินทำทรัพยสุขอาหารใจน่าจะทํำยังไงแต่ที่พวกเราไม่ค่อยได้สนใจอาหารใจที พอมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นก็ร้องโหม่ร้องไห้เป็นทุกเป็นร้อนไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางอันนี้ก็คือเราขาดอาหารใจเพราะฉะนั้นหลักของพุทธศาสนาท่านสอนเรื่องอาหารใจทําอย่างไรหลวงพ่อจุ ข, ขอแนะ น, ำนํำคณะรัตยาญาติโอมก่อนหลับก่อนนอนให้ไหว้พระ น, ะนี่แหละเขาหาอาหารเข้าสู่จิตใจหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจอะไรถึงก่อนหลับก่อนนอนถ้าว่างๆให้ไหว้พระจะไหว้พระ ห้พระก็ได้จะไหว้ที่นอนหัวที่นอนของตัวเองก็ได้ก็นอน เ, ออเรานัง่งโคกเข่าขึ้นมาแล้วก็กราบสาครั้งพุทโธกราบถึงพระพุทธเจ้าแต่เราไม่ใช่กราบหมอนนะเรากราบลำเลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธรรมโมสังโภสามครั้ง เ, เรากราบแต่ละครั้งเราจะไปขึ้นประการสามครั้งไม่ใช่นะกราบพระพุทธเจ้กากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์ ทำไมเราเึง่กราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบโดยพระองค์เองเป็นต้นศาสนาเป็นต้นพระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระธรรมที่ยอดเยี่ยมเป็นพระธรรมแนะนําสั่งสอนให้คนเป็นคนดีพูดอย่างนั้นอีกอันดับแรกแต่จนถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนคนให้เป็นผู้หลุดพ้นจากอาชวกิเลสอันนี้คือพระธรรมคําสอนจากนั้นพระสงฆ์ พระสงฆ์ก็คือพระที่นํามาสอนพวกเราอย่างหลวงพ่อเนี่ยเป็นสมมติสงฆ์ได้นําพระธรรมของพระพุทธเจ้ามาประกาศเผยแผ่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาในหลวงสมมติสงฆ์เรากล่าว3าครั้งคือพุทธโธธรรมโมสมโังโภตสมครั้งจากนั้นก็นเราก็กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าเลยอาหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวรรณตังอภิวาเทมิสวาขาโตสุปฏิปโนสาจบจากนั้นก็เรากดตั้งจิต แนวแน่เลยก่นะโมตัสสะพระคขาวโตัวอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ก, กล่าวถึงสามครั้งข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือกล่าวกล่าวนะโม3าจบนี้คือความแปลและความหมายจากนั้นก็พุทธังทำมังสังขังสระ น, นังคัจฉามิข้าพเจ้าขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นชรณะเป็นที่พึ่งดุติยมปิตาติยมปิต ข้าพไปเจ้าขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งยึดถึงสามครั้งกล่าวถึงสามครั้งจะขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งจากนั้นเราก็ถ้าเราใครสวดมนต์ได้มากกว่าะนั้นเอาสวดสวดขยศพระ ก, กันสวดอะไรโย โ, ย โ, ยโยสตวะคะตั ว, วอะไรก็ว่ากันไปแต่ข้าไม่ได้หลวงพ่อว่าเพียงแค่นี้พอแล้ว เราสวดเพียงแค่นี้แหละก็บอกอรหังสวากาโตสุปฏิพโนนาโมตสระพุทธังธรรมังตาติยมติสังขังสระนังาจามิจากนั้นเราก็น้อมจิตแผ่เมตตาิแผ่เมตตาเราแผ่ยังไงเราก็ประนมือขึ้นทำใจเฮนิ่งซะก่อนพนิ่งแล้วกข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทางหลายมีฟอมมี พ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติญาติมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรทั้งในอดีตที่ผ่านมาทั้งปัจจุบันทางเดี๋ยวนี้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมากน้อยขอขอให้ท่านทั้งเหล่านั้นได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าด้วยเถินและกระสาข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันข้าพเจ้าเองก็ยินดีให้อโหสิก แก่ข้าไปแ ก, พก่พวกท่านพวกท่านก็คงจะให้โอโหสิแก่ข้าไปเจ้าเช่นเดียวกันขอขอให้ดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าไปเจ้าข้าไปเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นผู้อื่นจัดอื่นวิ ญ, ญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าไปเจ้าต้องการอย่างที่ข้าไปเจ้าปรารถนาด้วยเทอินนะเพียงแค่นี้แหละแผ่เมตตาแล้วจากนั้นก็กลับ พอการาบเสร็จแล้วก็ น, นั่งสมาธิทีนี่ไอ้ น, นี่แหละชีวิตประจำวันถ้าหาว่าหลวงพอ่อว่าหลวงพ่อจะทํำยังไงเมื่อเป็นคารวัตเอาอาหารหาอาหารเข้าสู่จิตใจหลวงพ่อจะทํำยังไงเนี่ยหลวงพ่อแนะนำอะไรถึงจากนั้กนก็นั่งสมาธินั่งสมาธินึ่นั่งเหมือนพระประธานนั่งพวกเราเห็นพระประธานนั่งอย่างนั้นแหละขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายไอ้ก่อนที่เมื่อขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราประนมมือขึ้นในระหว่างอกะะนะปนมมือขึ้น เ, เราเรียกว่าพุทธโธธรรมโมสังโธพุทธโธธรรมโมสังโธพุทธโธธรรมโมสังโธสามจบคือไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าไหว้พระธรรมไหว้พระสงฆ์เพราะศีลกด็ดีสมาธิกด็ดีปัญญากด็ดีที่เราจะเอาอาหารเข้าสู่จิตใจนี่คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เป็นผู้แนะนําสั่งสอน เป็นพระธรรมคําสอนออกมาแล้วพระสงฆ์เป็นผู้นําพระธรรมคําสอนมาประกาศมาเผยแผ่ให้แก่เราได้ฟังได้ศึกษาเพราะฉะนั้นเราได้นําพระธรรมคําสั่งสอนมาปฏิบัติเดี๋ยวนี้แหละนั่งสมาธิเดี๋ยวนี้คือพระธรรมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ประกาศภาษีภาตร์ให้แก่เราเพราะฉะนั้นเรากอไหว้ถูซะก่อนจากนั้นเมื่อไหว้พุโ ท, ทโธธรรมโสังโศสามจบแล้วเราก็เอามือลง เอามือลงเหมือนพระประธานเดี๋ยวนี้เห็นท่านนั่งอย่างนั้นอ่ะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทากายให้ตรงแล้วก็หลับตาหลับตาบริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธอันนี้คือกรรมฐานของหลวงปู่มั่นภาวนาพุทโธเนี่ยถ้าสายอื่นเขาจะว่ายุทธเนาะพองเนาะบังสัมมาอารหังบังอันนั้นกระสุแท้แต่แต่พวกเราท่านทั้งหลายอยู่ในสายแนวแถวของหลวงปู่มั่น เราต้องยึดหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยท่านให้ภาวนาพุทธโท อ, อหายใจเข้าพุทหายใจออกโพแต่พวกเราเหายใจเข้าพุทหายใจเข้าพุทธท่านเ อ, อลมไม่มั่นมั่นู่นยังไงมันไม่มีลมลมหายใจเข้าออกตัวเองก็ไม่รู้เพราะเราไม่เคยภาวนาเนีทั้งที่ลมหายใจเข้าหายใจออกมันผ่านจมูกของเราอยู่ตลอดคนไม่ตายก็ต้องมีลมเน แต่ทนี่เราไม่ได้สนใจเพราะเราไม่เคยภาวนามาก่อนอันนี้ขอแนะนำให้คณะสัทธาติโยมลูกหลานทุกคนให้หายใจเข้าแรงๆหายใจเข้าเฟืดแล้วก็กระแทกออกแรงๆเฟืดเฟืดสัก3สี่ห7ดดครั้งเราจะรู้ได้ว่าโอ้ลมมันเข้าทางจมูกมันกระทบที่ไหนจากนั้นก็ค่อยผ่อนผ่อนผอนผ่อนลงจนถึงปกตินะ ในเมื่อปกติแล้วเราก็กําหนดลมหายใจเข้าพเราก็หายใจว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโธพุทโธพุทโธไม่ให้ใจของเราคิดไปทางอื่นไม่ให้คิดพไปในอดีตไม่ให้คิดไปในอนาคตให้จิตใจของเรานิ่งอยู่ในปัจจุบันให้ใจอยู่ในปัจจุบันของเราเนี่ยเนิ่งจากนั้นใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเลยจิตใจของเราท่านเราทําหลายครั้งต่อหลายหนเมื่อจิตใจของเราเข้าความสงบทีแรก มันจะเย็นรู้สึกมีความเย็นวา่ามีความเย็นวา่ามีความเย็นลึกๆในใจเพียงแค่นี้เราก็มีกาลังใจแล้วเออเมื่อกี้นี่ใจของเราแต่ก่อนเรามีความรู้สึกอย่างอื่นแต่บัดนี้พอเรานั่งสมาธิใจของเรารู้สึกเข้ามันทำไมเย็นปิดปกติอย่างนี้นั่นแหละถ้าเรียกว่าคณิกะสมาธิจิตของเราเริ่มจะเห็นผล จิตใจของเราเริ่มเริ่มจะรวมลงเป็นหนึ่งแล้วันนี้ว่าคันนี้กะสมาธิจิตใจกําลังเริ่มจะรวมแล้วก็พยายามเราไม่ต้องคิดอีกนะเมื่อมันรวมไปแล้วโอ้ข่านั้นมันรวมอยู่อยางให้มันเป็นอีกไม่ต้องคิดนะต้องหาเหตุผลใหม่อีกไม่ต้องคิดมันผ่านไปแล้วเหมือนผ่านไปแล้วไม่ต้องสนใจเราก็พยายามภาวนาอีกกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกกันต่อไปจิตของเราจะเข้าสู่ความสงบจนรวมลงเป็นหนึ่งนิ่งฮ พอรวมลงเป็นหนึ่งนิ่งจิตเป็นอันใดเอสติเป็นอันใดจิตเป็นอนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นอันนั้นแปลว่าจิตรวมอย่างแนบแนบแนบหนึ่งอันนี้นเรียกว่าอัปปนาสมาธิอุปจาระสมาธินี่แปลว่าจิตรวมลงไปในระดับหนึ่งพอรวมลงไปแล้วสติกับจิตนี่ยควบคุมกันอยู่แต่ว่าจิตใจของเราเนี่ยได้ยินเสียงฝนตกนี่เขาได้ยิน แต่ไม่ได้ให้ความสนใจในฝนตกกับเพียงแต่ว่าฝนตกได้ยินเสียงพอเพียงตว่าได้ยินแต่ไม่ได้ส่งใจไปว่าเสียงนั้นคืออะไรไม่ได้สนใจอันนี้แปลว่าสติกับจิตควบคุมกันอยู่นิ่งสบายในระดับหนึ่งอันนี้เราอุปจาระสมาธิแต่เมื่อจิตรวมลงไปอีกนิ่งลงไปอีกจนถึงว่าร่างกายของเรานั่งอยู่นทีใดเราไม่รู้ เสียงอะไรเราไม่รู้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยมีแต่สติกับกจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้เราว่าจิตเป็นอัปปนาสมาธิจิตเป็นอัปปนาสมาธินี่แหละมีความสุขแค่ว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะอันนี้ก็คือจิตสงบรวมลงเป็นหนึ่งนี่แหละจิตถ้าเข้ารวมรวมลงสงบเป็นหนึ่งขนาดนั้นแล้ว พวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าเออตายแล้วเกิดหรือตายแล้วแล้วศูนยออ์ตายแล้ววิญญาณไปที่ไหนร่างกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงเราไม่ต้องถามใครเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเลยด้วยจิตรวมขนาดนั้นเพราะจิตเป็นอัปปนาสมาธิ เ, ออเราเห็นเราเห็นร่างกายชัดเจนเลยในความรู้สึกของเรากายก็คือกายจิตก็คื อ, อจิต อาศัยกันอยู่เหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างนั้นแหละเราเห็นได้ชัดด้วยตนเองเพราะฉะนั้นเราเชื่อเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่เชื่อตามคำคำสอนท่านพูดเฉยๆนะท่านเชื่อในภาคปฏิบัติของเราอันนี้ก็คือฝังลากลึกถ้าพวกเราเชื่ออย่างนี้คือจิตของเราเป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิแล้วพวกเราจะรู้ได้ตัวตนเองว่ากายกับใจอาศัยกันอยู่ กายคือรูปธรรมชวนจิตใจนี่คือนนามมรรคธรรมอาศัยกันอยู่ไม่ใช่อันเดียวกันนี่แหละอันนี้ก็คือการนั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบแต่ถึงทางนี้ทางนั้นพวกเราได้ระดับไหนพวกเราจะไปคาดไปหวังไปหวังมากแต่เราได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหะแต่พยายามทําให้เต็มที่อันนี้ก็คือการบําเพ็ญอันนี้แหะคือหาอาหารเข้าสู่จิตใจจากนั้น เ, เมื่อเราออกจาก สมาธิแล้ว เ, เมื่อถอนขึ้นมาแล้วลเราจะนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาวิวปัชนาอย่างไรอันนั้นค่อยศึกษาเพราะเริ่มวิปัสนานั้นเป็นเรื่องที่ยืดยาวจะต้องอาศัยครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนหรือเราจะฟังในธรรมเทศนาอย่างที่หลวงพ่อเดกพูดได้กล่าวว่ า, วาเราเปิดธรรมเทศนาของหลวงตาคุยวิทยุฟังน่ พวกเราจะรู้ได้เลยถึงวิธีการเดินวิปัตนานั้นเดินอย่างไรเพราะเราได้ผ่านในจุดสมาธิคณิกะอุปจาระอั ป, ปนาสมาธิมาแล้วแล้วจะเดินวิปัสนาอย่างไรเราจะฟังเทศโทตานี่จะซึ้งในใจเลยถึงอหจุดนี้แหะเดินได้เลยถึเดินวิปัตนาเดินอย่างไรสิเพราะนั้นธรรมเทศนาของหลวงตาจะได้จะให้ผลเมื่อต่อยอดแต่อันดับแรกเนี่ยเราต้องบังคับตนเองซะก่อนตั้งแต่ไหวยพระแหม ไหว้พระแล้วก็จากนั่นก่อนั่งสมาธิกาหนดลมหายใจจิตของเรารวมอย่างไรแต่ที่นี้มาพูดมาย้อนถึงจุดที่จะทำจิตใจให้สงบเนี่ยมันยากเหลือเกินครับหลวงพ่อเนี่ยอย่างนี้หลวงพ่อได้ยินบ่อยเอาเถอะนะมันก็ต้องยากทุกคนการนั่งภาวนาแต่ถึงยังไงก็เถิดเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยู่ไม่เหลือวิสัยนะ ถ้าเหลือวิสัยแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือท่านก็จ้องเหลือวิสัยท่านคงทําไม่ได้แต่นี่ท่านผ่านไปแล้วท่านได้ไปแล้วเนี่ยท่านต้องพยายามทําตั้งใจทําเอาเถอเนะี่ยมีหลายวิธีที่วิธีทําจิตใจให้สงบพวกเราต้องพยายามดูนะทดลองนับดูนะทดลองนับดู เ, เวลากําหนดลมหายใจเข้าคดหายใจออกโผลเนี่ยมันไม่สงบมันยังทะเลถไหลออกไปข้างนอกได้อยู่แต่บัดนี้เราพยายามทําจิต ของเราใจของเราให้นับดูหายใจเข้านับ1หายใจออกนับ2หายใจเข้านับ3าแต่อย่าไปเกร็งอย่าไปกลึงเอออย่าไปหายใจแบบพูดฟาดพูดฟาดตั้งใจอย่างนั้นไม่เอานะคือให้เป็นธรรมชาติที่สุดแต่ให้มีสติให้มีสติในการนับหายใจเข้านับ1หายใจออกนับ2หายใจเข้านับ3ามหายใจออกนับ4ี่หายใจเข้านับห้านับ6มจนถึงร้อพอถึงร้อยแล้วกลับมานับหนึ่งใหม่อีกเผลอไหม ไม่เผลอไม่เผลอแสดงว่าสติของเราดีแล้วหึงหนาทีกวัวๆนะนับนถึงเครื่องร้อยนี่แปลว่าสติของเราดีนะแต่ถ้าพอนับไปไม่ถึงจิจิตหลุดออกไปแล้วแล้วก็หลุดทุ่มแล้วก็หลุดนี่ถ้าหลุดบ่อยๆอย่างนั้นเราจะไปคิดอย่าไปคิดว่าเราจะดีใจนะมันบุบบ่อยๆอย่างนั้นเผลอเผอเราเป็นบ้าได้ไง่ายๆเหมือนกันนะสติไม่อยู่กับเนื้อกักบตัวเนี่ยเป็นบ้าได้นะคนนะเพราะนั้นโอ้ ถ้ามันสติเผ้ออย่างนี้เราไม่ควรจะไว้ใจนะวะเราควรจะฝึกให้เข้มขน้นเข้มข้นมากกว่านี้ขึ้นมาอีกเราก็ต้องพยายามดูเอาสติจับให้เข้มแข็งดูอีกทีเนี่ตั้งจิตตั้งใจใหม่เองคือความพยายามมีความตั้งใจให้เข้มแข็งขึ้นอีกถ้านเรามีความพยายามมีความตั้งใจเข้มแข็งขึ้นไปแล้วเราจะเห็นได้ถึงหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองเรานับไปถึงร้อยแล้วมันจะหลุดมันหลุดยังไงหลวงพอ่อ มันหลุดในถึงเมื่อเรานับไปหายใจเข้าเป็นเลขที่ใช่ไหมหนึ่งหายใจออกเป็นเลขคู่สองนะแต่พอมันจะเบลอเนี่ยมันจะเบรอบรอ์เบอร์เหายใจเข้าเป็นสิบสี่หายใจออกเป็นสิบห้าอันนี้เบอร์แหละสติเราขาดแล้วช่วงนะั้นแสดงว่าสติของเราไม่ดีและ้ะมันขาดหายใจเข้ามันต้องเป็นสิบสามหายใจออกต้องเป็นสิบสี่หายใจเข้าเป็นสิบห้าหายใจออกเป็นสนะิบหกนี่แหละเราสังเกต ไปตลอดจนนับถึงร้อยถ้าเราสติของเราดีนับถึงร้อยไม่เผลอแสดงว่าสติของเราใช้ได้นะอดังนั้นขอให้พวกเราสังเกตง่ายๆในการนั่งสมาธิแต่ถ้าพวกเราเนับถึงร้อยขาดไม่รู้ว่ากี่กี่ครั้งตกกี่หนจนนับไม่ติดนะแสดงว่าสติของเราเลื่อนลอยแล้วไม่น่าไว้ใจแล้วเผลอๆต่อไปก็จะปั้มๆเปอืป่ออไปเรื่อยนะพลสติขาดสติแตกสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสติเลื่อนลอยเออ มันจะเข้าเป็นบ้าไปอะไรเฉยๆก็เหตุไรเพราะมันคนขาดสติคนขาดสติไม่ใช่อื่นไกล น, นะคืออถ้าคนเป็นบ้าไม่ใช่อื่นไกล น, นะคือคนขาดสตินะเพราะฉะนั้นถ้าเราขาดสติบ่อยๆไม่ใช่ว่าจะเป็นเป็นดีเป็นของดีนะนะทําให้เราพวกเราระมัดระวังขึ้นมาอีกเพราะนั้นให้กําหนดลมหายใจเข้านับนับดูนะคณะสัตยทายญาติโยมนะนะพระเนรของเรากมือนการให้นับอย่างที่หลวงพ่อพูดเวลาการนั่งภาวนา นับหนึ่งถึงร้อยดูซิเป็นยังไงมันขาดที่ตรงไหนจากนั้นเพื่อนับไปแล้ว 10-20 สิครั้งเอ่อมันไม่เผลอจากนั้นก็บริกรรมพุทธโธต่อหลหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธพวกเราจิตของเราจะเข้าสู่ความสงบอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเป็นคณิกะอุปจาระอัปนาในที่สุดจากนั้นก็ค่อยนำจิตเดินวิปัชนาต่อไป น, นี่แหละวิธีการประพฤติปฏิบัติขอให้พวกคณะจตทาญาติโยม แมหมูพวกเพื่อนทุกๆองนะอันดับแรกหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับการทำวัดคารวะเป็นมาอย่างไรพวกเราควรจะยึดถือแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างไรจากนั้นก็ผมก็เองก็ได้แนะนำในการฟังธรรมเทศนาของหลวงตาพวกเราจะต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังสุตตะมยะปัญญาจินตามายะปัญญาภาวานามยะปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟัง ดานการได้ใข้ควรไตรตรองเหตุและผลจากนั้นคืออันนี้คือการประพฤติปฏิบัติแต่คณะสัทว์ยญาติโยมสิงพวกเราจะหมั่นขยันในการสา ะ, ะแสวงหาทรัพย์ขนาดไหนเลี้ยงร่างกายขนาดไหนร่างกายนี่ยังเป็นอื่นอยู่เสมอนะถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนร่างกายนี่แก่เจ็บแล้วก็ตายในที่สุดแล้วพวกเราขาดความสนใจเรื่องอาหารของอาหารของใจหน อาหารของกายนี่เราเลี้ยงอย่างนั้นแหละแต่อาหารของใจเราไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่เอเราไม่ค่อยภาวนาเราไม่ค่อยไหวพระเพราะฉะนั้นเราเป็นพุทธมามะกะพุทธบริษัทเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราควรจะหาอาหารเข้าสู่จิตใจก็คือนั่งภาวนานี่ยแต่ตั้งแต่ลุกพ่อนแนะนําว่าให้ไหวพระก่อนหลับนอนอรหังสวากะโตสุปฏิปโนโนโมทตะพุทธังธรรมังสังขังในสระนังคฉาติจากนั้นก็แผ่เมตตา ข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมากน้อยขอให้เป็นเครื่องเครือกุณหนุนวิญญาณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายของข้าพเจ้าขอให้มีความสุขความเจริญต้อข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตวอื่นเขขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการข้าพเจ้าจะขอข้าพเจ้าขอไม่เบียดเบียน แอบผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครๆทั้งหมดนี่คือพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าการเป็นอยู่ของเราอย่าผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรเขานะเนขาเราถ้าเราไปทําให้แก่เขา เ, เราจะไปปลูกพยาบาทเขาเขามาทําให้แก่เราเราก็จะไปผูกถ้าผูกแล้วไปมีที่สิ้นสุด เ, เวรจะระ ง, งับได้ด้วยการไม่จองเวรเท่านั้นเวรจะระ ง, งับ ไม่ได้ถ้าว่าเรามีการจองเวรกันอยู่พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นเราได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉนั้นเราเควรจะให้อโหสิแกทุกวิญญาณอย่าได้ไปจองกรรมจองเวรไม่มีที่สิ้นสุดจากนั้นพวกเราก็เอาหาอาหารเข้าสู่จิตใจทํำยังไงหลวงพ่อว่า ใ, ให้นั่งภาวนานั่งอย่างพระประธานแล้วก็ ไหว้ครูฟุตโถทำโมสังโโจากนั้นเอามือลงจากนั้นกําหนดลมหายใจเข้าพุตหายใจออกโโหคือกรรมฐานของหลวงปู่มั่นถ้าว่าจิตใจของเรามปนยังเผลอไหลไปอยู่ก็ให้นับ1นึถึงสิดูใจของเราเป็นยังไงจิตใจของเราสงบไหมรวมไหมนี่แหละจากนั้นก็เดินนิปัสนาพิจารณาร่างกายสังขารถึงจะเลี้ยงขนาดไหนร่างกายสังขาร น, นี่ก็เป็นอื่นอยู่เสมอแก่เจ็บตายไม่มีที่สิ้นสุดหลวงพ่อเนี่ย พิจารณาอย่างนั้นอันนั้นคือภาษาใจภาษาใจของพวกเราต้องคิดไปในใจแต่เราไม่ต้องพูดออกไปข้างนอกหลวงพ่ออินเอ้ยถึงหลวงพ่ออินจะรับผิดชอบขนาดไหนกนะ็เถอะนะสารลงสาราหมูโกเพื่อนมีมากขนาดไหนอีกสักวันหนึ่ง เ, เขาจะต้องเผาร่างกายหลวงพ่ออินทิ้งนะกระดูกหลวงพ่ออินเอกไปด้วยไม่ได้เพราะนั้นอ ย, อย่าไปลืมเนื้อลื ม, ลมตัวนะ อันนี้หลวงพ่อก็สอนหลวงพ่ออยู่เสมอแล้วก็คณะจัดพาญาติโยมหรือพระสงฆ์หมู่พวกเพื่อนทุกองบวกควรจะคิดอย่างนั้นถ้าใครคิดอย่างนั้นไว้อยู่ในใจนะในความกลับเพื่อมในจิตใจโมโหโทโซโปทาผูกพยาบาทอาฆาตจองเวนคนนั้นดีคนนั้นเลวเออจะผูกเลยมันจะไม่มีในจิตในใจเพราะอะไรเพราะทุกคนเกิดมาเขามาเจอกันอีกสักวันหนึ่งก็ต่างคนก็ต่างไปต่างคนก็ต่างตายไป เราจะไปถือโทษโกรธเคืองให้แก่ใครเราจะไปผูกพยาบาดอาฆาตกับใครเพราะนั้นต่างคนก็ต่างมาเราอยู่ในสถานะไหนเราทําดีที่สุดให้หมูให้เพื่อนให้ญาติให้โยมโยดญาติโยงเหมือนกันทําดีที่สุดเพื่อครูบาอาจารย์เพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณาญาตเราจะให้คนอื่นหนักใจกับเรานี่แหละถ้าพวกเราคิดอย่างนั้นได้อย่างนั้นความสงบพร้มเย็นเป็นสุข ก, ก็จะเกิดขึ้น กับที่น้องสภาญาติโยมประเทศชาติบ้านเมืองต่อโลกในยุคสมัยนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาพบนี้ชาตินี้ได้เห็นได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้พบพระสงฆ์ที่เป็นสากยาบุตรคือบุตรของเทพเจ้ า, ยา อ, อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเหลืองอัลลามงามตาเรียกว่าสัมนานามกะทัศนังีตํมังครมุตเตมังที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธ ภาสิตเบื้องต้วนว่าสมนานั้นจะทัศนะังการได้เห็นสมณะผู้สงบผู้ระงับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นมงคลอันสูงสุดเน่ยเคยได้เห็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจากนั้นเราพวกเราท่านทั้งหลายในเมื่อเห็นแล้วก็จะคว้าพฤทธปฏิบัติตนให้เป็นคนดีจะไม่ทําสิ่งที่มันไม่ดีทําให้สิงสิ่งไหนที่มันไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีเราจะไม่ทําอย่างนั้น ถึงเราจะเป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าก็เถอะเราจะเป็นเราเป็นสมณะที่แท้จริงหรือไม่หรือเราเป็นสมณะปลอมเออหรือเราเป็นสมณะประเภทไหนถ้าจิตใจของเรายังคิดปูนคุ้งออกไปข้างนอกใจของเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจของเรายังเป็นโลกอยู่เราก็ไม่ใช่สมณะที่แท้จริงนะเราจะเป็นสมณะปลอมอยู่นะนี่อันนี้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราท่านทั้งหลายเองนะเพราะฉะนั้นการเห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดที่หลวงพ่อได้ยก